ขุดธานุขุดทกะสิกขาปทะกะถาว่าด้วยสิกขาบทเล็กน้อยครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับภิกษุผู้เถระทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านผู้เจริญในเวลาจะปรินิพานพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าอานนท์เมื่อเราล่วงไปสงหวังอยู่ก็พึงถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ภิกษุผู้เถระทั้งหลายถามว่าท่านอานนท์ ท่านทูลถามพระผู้มีพระภาคหรือว่าพระพุทธเจ้าข่าสิขาขาสขากขาบทข้อไหนที่จัดว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยท่านพระอนุนตอบว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่าสิกขาบทข้อไหนที่จัดว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อย ภิกษ anyway ุผู้เถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่ายกเว้นปาราชิกสี่สิกขาบทที่เหลือจัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยภิกษุผู้เถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่ายกเว้นปาราชิกสี่สิกขาบทสังฆาทิเศษสิบสามสิกขาบทที่เหลือจัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อย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 สิสามสขาบทอนิยตสองนิสสักคยปาจิตตีสามสิบสขาบทปาจิตตีเก้าสิบสสขาบทปาติเทสนียะสสิขาบทที่เหลือจัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อย